มาทำประโยชน์ให้กับจิตใจของเราเพราะไม่มีอะไรจะมีความสำคัญเท่ากับจิตใจของเราเพราะไม่มีอะไรจะถาวรจะอยู่ไปอย่างตลอดนอกจากจิตใจของพวกเราของต่างๆที่พวกเรามีกัน และดูแลรักษากันอยู่และสแสวงหากันอยู่ล้วนเป็นของที่ไม่ถาวรทั้งนั้นเป็นของชั่วคราวเป็นของที่มีการเจริญและมีการเสื่อมหมดไปเป็นธรรมดามีของอย่างเดียวที่ไม่มีวันเสื่อมหมดไปมีแต่จะเจริญหรือเสื่อมตามการกระทำของเรา ถ้าเราดูแลรักษาใจของเราใจของเราก็จะเจริญขึ้นไปตามลำดับถ้าเราไม่ดูแลรักษาใจใจของเราก็จะเสื่อมลงไปตามลำดับแต่ใจนี้จะไม่มีวันที่จะสูญหาย ห, ายหรือหมดไปเหมือนกับร่างกายที่ต้องมีวันหมดไปในที่สุด ดังนั้นพวกเราจึงไม่ควรที่จะเสียเวลากับการดูแลรักษากับการแสวงหาสิ่งที่ไม่ถาวรเช่นร่างกายของเราเช่นลาบยศสารเสริญเช่นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราควรที่จะให้เวลากับการมาดูแลรักษา และสร้างความเจริญให้แก่ใจของเราจะดีกว่าเพราะใจของเรานี้ไม่มีวันหมดไปถ้าเราทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนใจของเราก็จะเจริญนุ่งเรืองขึ้นไปตามลาดับมีความสุขเพิ่มมากขึ้นไปตามลาดับมีความทุกข์น้อยลงไปตามลาดับ จนไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่เลยถ้าเราไม่ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราปฏิบัติตามความโลภความโกรธความหลงตามความอยากต่างๆของเราเราก็จะได้ของที่เป็นของชั่วคราวและจะต้องสูญเสียหมดไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว และในขณะเดียวกันเราก็จะทำให้จิตใจของเราเสื่อมลงไปตามลำดับด้วยเพราะว่าเวลาที่เรามีความโลภความโกรธความหลงเราก็มักจะทำบาปทำกรรมพอเราทำบาปทำกรรมจิตใจของเราก็จะเสื่อมลงไปความสถานภาพของจิตใจ ที่ตอนนี้เป็นมนุษย์อยู่ก็จะเสื่อมลงไปเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างเป็นนรกบ้างเพราะนี่เป็นผลที่เกิดจากการกระทาของเราเวลาที่เราทำบาปเช่นเวลาที่เราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปลดเสพโุรายาเมาและอาบายามุกต่างๆ การกระทําเหล่านี้เป็นการทําลายจิตใจของเราให้เสื่อมลงให้มีความทุกข์มากขึ้นแต่ถ้าเราทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราให้ทานให้เรารักษาศีลให้เราภาวนาจเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาใจของเราก็จะ มีความเจริญขึ้นไปตามลำดับจากมนุษย์ก็จะขึ้นไปสู่เทพจากเทพก็ไปสู่พรหมจากพรหมก็ไปสู่อริยมรรคอริยผลสู่พระนิพพานในที่สุดนี่คือที่ไปของใจของเราไปด้วยการกระทำของเราไม่ได้ไปด้วยการกระทำของผู้อื่น ผู้อื่นไม่สามารถส่งเราไปนรกหรือส่งเราไปพระนิพพานได้เราไปด้วยการกระทำของเราดังนั้นเราจึงควรให้ความสนใจต่อการปฏิบัติเพื่อพัฒนาจิตใจเพื่อสร้างความสุขให้แก่จิตใจและดับความทุกข์ให้แก่จิตใจมากกว่า การหาทรัพสมบัติข้าวของเงินทองหาลาบยกสรรเสริญหาความสุขทางตางหูจมกูกร่างกายาะเป็นความสุขชั่วคราวและเป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาเสมอเนื่องจากเวลาที่ความสุขหมดไป ความทุกข์ก็จะตามมาเพราะเวลาที่เรามีความสุขกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเวลาสิ่งนั้นเปลี่ยนไปหรือจากเราไปเวลานั้นเราก็จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจนี่คือความสุขที่พวกเรามักจะหากันเราไม่ค่อยเข้าหาความสุขที่แท้จริง ความสุขที่ถาวรความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมานั่นก็คือความสุขที่เกิดจากการทาบุญให้ทานความสุขที่เกิดจากการรักษาศีลความสุขที่เกิดจากการภาวนาถ้าเราไม่ได้มาพบกับพบระพุทธเจ้าเราก็จะไม่รู้ความสุขชนิดนี้ ความสุขที่เกิดจากการทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาเราจะรู้แต่ความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญได้จากลูกเสียงกลิ่นรสผลตภาและเราก็ได้ความทุกข์มาเป็นของแถมด้วยเพราะความสุขของทางราบยศสรรเสริญของทางตาหูจมูกนิ้วกายนี้มีคุณสมบัติ คือความไม่เที่ยงนั่นเองและความเป็นอนัตตาก็คือไม่ได้อยู่ในการควบคุมบังคับของเราไม่ได้เป็นของของเราเราจะสั่งให้เขาให้ความสุขกับเราไปตลอดนั้นเราสั่งไม่ได้เพราะเขามีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยๆ เ, เขาเป็นอนิจจังไม่เที่ยง เช่นลาบยศ ส, สัมพัสนและสุขทางตาหูจะบูกลิ้นกายนี้มีการเจริญและมีการเสื่อมเวลาเจริญเราก็ดีออกดีใจเช่นเวลาเราเจริญลาบได้เงินทองมาเป็นก้อนใหญ่ๆเราก็ดีออกดีใจเวลาเราได้รับเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเราก็ดีออกดีใจ เวลาเราได้รับการสรรเสริญเราก็ดี อ, อกดีใจเวลาเราได้ฉลองได้ไปเที่ยวได้ไปเสพความสุขทางตาหูจมูกดิ้นกายเราก็มีความสุขแต่เราไม่สามารถที่จะให้การเจริญของราบยศสรรเสริญของความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้ จเจริญไปอย่างเดียวเพราะก็ต้องมีเวลาที่จะมีวันเสื่อมมีเวลาที่จะเสื่อมลาบเสื่อมยศจากสรรเสริญ<ม>ก็จะได้รับการดินทาจากสุขก็ได้รับทุกเช่นเวลาเราสูญเสียสิ่งที่เรารักหรือบุคคลที่เรารักไป ความสุขทางตาหูจบวกนิ้กายที่เราได้จากบุคคล น, นั้นหรือสิ่งนั้นก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปเวลาเราสูญเสียลาบเราก็จะเกิดความทุกข์เวลาเราสูญเสียยศสูญเสียตาแหน่งเราก็จะเกิดความทุกข์เวลาเราถูกนิ้นทาถูกตำหนิว่ากล่าวตีเกนเราก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา โลกธรรมทั้งแปดนี้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถไปควบคุม บ, บังคับไปสั่งให้เขาเจริญอย่างเดียวได้ <c oughs> เช่นเราไม่สามารถสั่งให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีจะไม่มีการขาดทุนการทำการค้าของเราเราจะมีแต่กาไรเพียงอย่างเดียวอย่างนี้เราสั่งไม่ได้ เราจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปเรื่อยๆเราก็สั่งไม่ได้บางเวลาก็เลื่อนขึ้นบางเวลาก็เลื่อนลงก็มีเราไม่สามารถไปสั่งให้คนเขาสรรเสริญยกย่องเยินยอเราอยู่เพียงอย่างเดียวเราจะสั่งไม่ให้เขาเข้หาดินทาดุด่าว่ากล่าวติดเตียนเราไม่ได้ เราจะสั่งให้ลูกเสียงกลิ่นรสปวดตะพะชนิดต่างๆให้บริการให้ความสุขกับเราอยู่ตลอดเวลาก็ทำไม่ได้เวลาที่เราสั่งเขาไม่ได้แล้วเขาไม่ได้ให้ความสุขกับเราเขาไม่ได้เจริญเวลานั้นเราก็จะมีความทุกข์ถ้าเราไม่ได้มีธรรมะที่คอยสอนใจให้เตรียมตัวรับกับ การเสื่อมของลาบยศสนัเสริญความเสื่อมของความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายเราก็อาจจะทนอยู่ไม่ได้เวลาที่หมดเนื้อหมดตัวเวลาที่ไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ไม่มีตําแหน่งอะไรเวลานั้นอาจจะไม่อยากจะอยู่ในโลกนี้ก็ได้ คนที่ข่าตัวตายส่วนใหญ่ก็เพราะทนรับกับสภาพของความเสื่อมของราบยศสรรเสริญของความเสื่อมของความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายไม่ได้เช่นคนที่เป็นโรคร้ายโรคโรคที่ไม่สามารถทำอะไรได้เป็นอมภพอมภาศมีแต่ความเจ็บปวดรวดแล้วไปตลอดเวลา เวลานั้นเขาจะไม่มีความอยากที่จะอยู่ต่อไปถึงกับต้องให้หมอช่วยฉีดยาพิษให้เพื่อจะได้ตายจากโลคนี้ไปทั้งทั้งที่การตายของร่างกายนี้ก็ไม่ได้ไปดับความทุกข์ทางใจเพราะความทุกข์นี้ไม่ได้เกิดที่ร่างกายเพียงอย่างเดียวความทุกข์ส่วนใหญ่เกิดที่จะ เกิดที่ใจเวลาใจสูญเสียสิ่งที่รักไปเวลานั้นใจจะเกิดความอยากได้สิ่งที่สูญเสียไปพอไม่ได้สิ่งที่สูญเสียไปก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจเป็นเหตุที่ทาให้อยากจะตายหรือเป็นเหตุที่ทำให้ฆ่าตัวตาย แต่ร่างกายตายไปแล้วก็ไม่ยังไม่ดับความทุกข์ที่มีอยู่ในใจได้และใจก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็ต้องไปทุกต่อในนรกทุกต่อในอบายในทางตรงกันข้ามถ้าได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าและได้ปฏิบัติเพื่อปล่อยวางไม่ยึดติดกับรากยศสรรเสริญ กับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเวลาที่ลาบยศสรรเสริญน่าความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเสื่อมลงไปเวลานั้นจะไม่รู้สึกเศร้าสศกเสียใจทุกทรมานใจเพราะว่าไม่ได้ยึดติดเพราะรู้ว่าสักวันหนึ่งจะต้องมีวันเสื่อมหมดไปแล้วก็มีความสุขอื่นมาสำรอง ผู้ที่เชื่อฟังพระพุทธเจ้าก็จะฝึกการภาวนาฝึกการทาใจให้สงบฝึกการหาความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายไม่ต้องใช้ลาบยศจันรเสริญเป็นสิ่งให้ความสุขกับตนสามารถใช้ใจคือการภาวนา ด้วยการเจริญสติเช่นการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธเพื่อทำให้ใจหยุดคิดปรุงแต่งเพื่อทำให้ใจสงบพอใจสงบแล้วก็จะเกิดความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากาลาภยศทระเสริญได้จากรูปเสียงกลิน่นรสโอทภะพอมีความสุขแบบนี้แล้ว เวลาเกิดความเสื่องทางราบยกสำาัเสียความเสื่องทางตาหูจมูกลิ้งกายก็จะไม่ได้เดือดร้อนไม่ต้องข่าตัวตายเช่นร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคร้ายไม่สามารถรักษาได้ไม่สามารถทำอะไรได้เป็นอมภพก็เป็นอมภาพก็ปล่อยให้ร่างกายเขาเป็นไปตามเรื่องของเขาใจไม่ได้เป็นไปอะไรกับ ร่างกายใจก็ยังมีความสุขได้เหมือนเดิมเหมือนกับเวลาที่ร่างกายไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้คือคุณประโยชน์ที่เราจะได้รับถ้าเราเข้าหาพระพุทธศาสนาและเราปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นมันให้ทานอยู่เรื่อยๆ การให้ทานก็คือการตัดการใช้ลาบคือเงินทองเพื่อเป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆเป็นการตัดการใช้ตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อหาความสุขต่างๆแล้วมาหาความสุขทางความสงบแทนเวลาเราทำบุญเราสละทรัพย์ ใจของเราจะสงบลงไปในระดับหนึ่งเพราะว่าเราได้ระ ง, งับเหตุที่ทำให้ใจไม่สงบนั่นเองก็คือความโลภความอยากได้ความสุขทางลาบยศฉลแสงทางตาหูจมูกลิ้นกายแานที่เราอยากจะได้ครับเราก็ย้อนสอนว่าไม่อยากได้อยากจะเสีย เพราะตอนนี้เราก็มีทรัพย์มากเกินไปอยู่แล้วทรัพ์ที่เราต้องการมีนั้นที่จำเป็นที่ต้องมีนั้นมีไม่มีไม่มากเลยตอนนี้เรามีมากเกินไปแล้วที่มีมากก็เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราไม่ต้องมีมากมายขนาดนี้เรามีความอยากได้สิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นี้อยากได้มา ก, มากๆเพราะเราคิดว่า มีมากๆแล้วเราจะมีความสุขแต่เรากลับไม่มีความสุขเรากลับมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นเพราะเกิดมีความอยากได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองพอเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วได้รับคาสอนให้เราลดาเงินทองของเราให้มันลงมาอยู่กับระดับที่เรา จำเป็นจะต้องใช้ก็พอถ้ามีมากก็จะทำให้อยากได้มากขึ้นวิธีที่จะตัดความอยากได้มากขึ้นก็ต้องไม่หาแล้วก็ต้องใช้มันให้มันน้อยลงไปเวลาใช้แล้วแทนที่จะเกิดความทุกข์ใจเกิด ก, กับเกิดความสุขใจเกิดความอิ่มใจ ที่ได้ละความโลภความอยากได้เงินมากขึ้นได้ละความอยากที่จะใช้เงินเป็นเครื่องมือซื้อความสุขได้ลดความตะหนี่ความหวงในเงินทองทําให้เบา อ, อกเบาใจสบายใจเวลามีความตะหนี่นี้จะมีความหวงแนหนห่วงใหญ่เงินทองจะไม่อยากให้ จำนวนเงินทองนี่ลดน้อยลงไปแต่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ใช้หรือไม่ได้ทำบุญให้ทานเงินทองโดยธรรมชาติของมันมันก็หดตัวลงอยู่เรื่อยๆเพราะเรื่องของเศรษฐกิจเราก็คงจะรู้กันว่าค่าของเงินนี้มันจะลดลงไปเรื่อยๆเพราะว่ามีเรื่องของเงินเฟ้อเรื่องของดอกเบี้ยเข้ามาเกี่ยวข้อง เงินของเราวันนี้สิบบาทปีหน้าก็จะเหลือแค่เก้าบาทห้าสิบเพราะค่าของเงินเฟ้อค่าของดอกเบี้ยต่างๆมันเกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่ได้โลภอยากได้เงินและไม่กลัวที่เราจะาสูญเสียเงินทองไปเพราะเรามีใจกว้างพอที่จะสละเงินทอง ให้แก่ผู้ที่เขาเดือดร้อนได้พราะเรารู้ว่าความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินทองของเหล่านี้นั้นน้อยมากถ้าเราใช้ด้วยเหตุด้ผลคือถ้าเราใช้เพื่อดูลารักษาร่างกายของเราเราก็ใช้เงินทองเพื่อให้มีปัจจัยสี่ที่พอเพียงก็พอแล้ว ถ้าเราใช้เงินทองด้วยเหตุได้ผลแนละ้วเราจะไม่ต้องใช้เงินทองมากเราจะไม่ต้องโลภอยากได้เงินทองมากมากเราจะไม่ต้องกังวลกับการเสื่อมของเงินทองใจของเราก็จะมีความสุขความสบายเรื่องเงินทองก็จะไม่เป็นปัญหาเพราะว่าเรารู้จักหาความสุขที่ ที่ไม่ต้องใช้เงินทองหรือว่าหาความสุขที่ใช้เงินทองด้วยการทําบุญให้ทานนี่แหละคือเหตุผลที่ทําำไมเรายัางต้องทําบุญให้ทานกันอยู่ถ้าเรามีมากเกินไปถ้าเราไม่ทําบุญให้ทานเราก็จะเอาเงินทําบุญให้ทานไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆ เราซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะทำให้เราต้องใช้เงินทองเพิ่มมากขึ้นอยู่เรื่อยๆเพราะว่าพอใช้ไปแล้วความสุขที่ได้จากการใช้เงินทองนั้นก็หมดไปแล้วก็เกิดความอยากที่จะใช้เงินทองเพื่อซื้อความสุขต่างๆเพิ่มขึ้นอีกเราก็จะต้องดิ้นรน หาเงินทองให้มีเพิ่มกับขึ้นมาอีกชีวิตของเราก็จะวุ่นวายกับการหาเงินทองกับการใช้เงินทองเพื่อซื้อความสุขต่างๆเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้มาหาความสุขจากการทนใจให้สงบด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนา แต่ถ้าเราใช้เหตุใช้ผลในเรื่องของการหาเงินทองและใช้เงินทองเราก็จะไม่ต้องหาเงินมากและเราก็ไม่ต้องใช้เงินมากเราก็จะได้มีเวลาที่เราจะได้มาทาใจให้สงบมารักษาศีลมาภาวนา มาทำบุญให้ทานตามกำลังของเราถ้าเรามีเงินทองเหลือมากเกินความจำเป็นเราก็ทำมากถ้าเรามีเหลือน้อยเราก็ทำน้อยถ้าเราไม่มีเงินที่จะแบ่งมาทำบุญให้ทานเราก็ไม่ต้องทาบุญให้ทานก็ได้เราก็มารักษาศีลกันถ้าเราไม่มีความโลภอยากได้เงินทองมาก อยากได้เงินทองอย่างง่ายดายและรวดเร็วเราจะไม่ต้องทำบาปทำกรรมการที่เราทำบาปทำกรรมก็เพราะว่าเรามีความโลภอยากได้เงินมากอยากได้มาอย่างรวดเร็วได้ง่ายดายวิธีใดที่ทำแล้วทำให้เราได้มาอย่างนั้นเราก็จะทำซึ่งส่วนใหญ่ก็ต้องทำบาปกันต้องชอบโกงต้องโกหกหลอกลวง ถึงจะได้เงินทองมาง่ายและเร็วแต่เมื่อเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องหาเงินหาทองมากมายและเรามีความเมตตาใจบุญใจกุศลชอบให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นด้วยการทำทานเราก็จะไม่ชอบการทำบาปจะไม่ชอบเบียเดเบียนผู้อื่น ไม่ชอบสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นเวลาเราจะทำอะไรเราก็จะระมัดระวังคำนึงเสมอว่าจะไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นหรือไม่เราก็จะรักษาศีลได้อย่างง่ายดายถ้าเรารักษาศีลได้เราก็จะได้รับความสุขที่เกิดจากความสงบในระดับของการรักษาศีล ที่เป็นความสงบมากกว่าระดับของการให้ทานเ <c oughs> มื่อเรามีความสุขจากระดับทานและระดับศีลเราก็จะพร้อมที่จะก้าวขึ้นสู่ความสุขความสงบระดับของการภาวนาได้ถ้าเรายังไม่ได้ทำทานยังไม่ได้รักษาศีลใจของเราจะไม่พร้อมที่จะเข้าสู่ระดับของการภาวนาว่าจะไม่สามารถ ทำได้เพราะใจจะคอยวุ่นวายวิตกกังวลกับเรื่องของการหาเงินหาทองกับเรื่องกับกเรื่องของการทำบาป ท, ทำกรรมใจก็จะไม่สามารถที่จะสงบเป็นสมาธิได้แต่เมื่อเราไม่มีปัญหาเรื่องที่จะต้องไปหาเงินหาทองไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทำบาป ท, ทำกรรม ใจของเราก็จะสงบพอที่จะทําให้ทําจิตให้สงบลึกไปก่อนนั้นได้ก็คือความสงบระดับของสมถภาวนาหรือการทําใจให้สงบเป็นสมาธินั่นเองการที่เราจะทําใจให้สงบเป็นสมาธิได้ก็ต้องเกิดจากการเจริญสติอย่างต่อเนื่องสตินี้เป็นผู้ที่จะ ดึงใจไม่ให้ออกไปข้างนอกจะดึงใจให้เข้าข้างในไม่ให้จะดึงใจไม่ให้ออกไปหาแสงสีเสียงรูปเสียงกลิ่นรสไม่ให้ออกไปหาลาบยศสรรเสริญไม่ให้ออกไปหาเรื่องราวต่างๆจะดึงใจให้เข้าข้างในเพราะว่าความสงบนี้ใจต้องเข้าข้างในถึงจะสงบได้ ถ้าใจยังออกไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนีง้คิดเรื่องหาเงินหาทองคิดเรื่องหาลาภหายศหาสรรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะไม่สามารถเข้าข้างในได้เข้าสู่ความสงบได้ก็จะไม่ได้พบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่ดีกว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้แต่ถ้าเรา ีสติคอยควบคุมใจไม่ให้คิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ใจก็จะเข้าสู่ความสงบตามลำดับเทลเล็กเทีลน้อยตามกำลังของสติถ้าสติมีกำลังมากก็จะเข้าสู่ความส ง, สงบที่ลึกละมากขึ้นไปตามลำดับจนถึงความสงบเต็มที่เลยที่เรียกว่าอัปปนาสมาธิหรือใจจะ หยุดดังนับความคิดปรุงแต่งจะไม่มีอารมณ์โลภโกรธหลงไม่มีความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่มีความอยากไปไหนมาไหนใจพอใจกับการนั่งอยู่เฉยๆมีความสุขจากความเป็นอุเบกขาของใจนี่คือผลที่เราจะได้รับถ้าเรามีเวลามาเจริญสติอย่างต่อเนื่อง เพื่อทาใจให้เข้าสู่ภายในให้เข้าสู่ความสงบถ้าเราไม่มีภารกิจการงานที่จะต้องหาเงินหาทองหรือต้องไปใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขต่างๆเราก็จะมีเวลามาเจริญสติการเจริญสติจะให้ผลดีก็ต้องไม่มีภารกิจการงานอย่างอื่นและต้องไม่มีลุกคน ต่างๆมาเกี่ยวข้องคือเราต้องปลิกวิเวกอยู่คนเดียวและให้อยู่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นลดทุกท์ตะปาที่ทําให้เกิดความโลภความอยากต่างๆขึ้นมาก็ต้องปิกวิเวกไปอยู่ตามป่าตามเขาหรือถ้าไปไม่ได้ก็ขังตัวเองไว้ในห้องแล้วก็ปิดลูกเสียงกลิ่นรดทุกขชนิด ไม่มีหนังสือไม่มีอะไรมาคอยร่อใจให้ออกไปหาแล้วเราก็ใช้เวลาที่อยู่คนเดียวในห้องนั้นหรือเวลาที่เราอยู่ตราลสถานที่สงบสงัดวิเวทในป่าในเขาจเจริญมสติตั้งแต่ตื็นจนหลับในอิรยาบทษี ถ้าเราทำกิจเราก็จะเรินพุโทโธพุธโทโธไปถ้าเราไม่มีกิจจะทำเราก็เดินจงกรมไปถ้าเราเดินเมื่อเราก็กลับมานั่งนั่งหลับตาแล้วก็จะเรินสติพุโทโธพุธโทโธไปจิต ก, ก็จะเข้าสู่ความสงบได้ในที่สุดนี่คือเรื่องของการหาความสุขที่ยิ่งใหญ่ ที่ดีกว่าความสุขทั้งหลายในโลกนี้ถ้าเราได้พบกับความสุขแบบนี้แล้วเราจะเบื่อหน่ายกับความสุขที่เราเคยได้เสพได้สัมผัสมาหรือความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรละกลภานเพราะเป็นความสุขที่ไม่อิ่มไม่พอนั่นเองเป็นความสุขที่กลับไปกระตุน้นสร้างความอยาก ให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเสียอีกแทนที่จะมีความอยากน้อยลงไปหลังจากที่เราได้รับทรัพย์มากขึ้นกับอยากได้มากเพิ่มขึ้นไปอีกถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่มันถึงจะพบกับความสุขพบกับความพอเพราะถ้าไม่มีความพอจะหาความสุขได้อย่างไรดังนั้นการหาความสุขทางลาบยศสรรเสริญ การตาหูจมูกลิ้นกายจึงไม่ใช่เป็นทางที่ไปสู่ความความอิ่มความพอแต่เป็นการไปสู่ความอยากได้เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้ายังมีความอยากอยู่ก็จะไม่มีวันที่จะมีความอิ่มความพอได้ก็จะต้องดิ้นลนหาไปจนวันตายตายไปแล้วก็จะดิ้นลนไปเกิดใหม่เพื่อจะได้ไปหา ราบเยอะจ ะ, ะร่ำเสวนหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายใหม่ชีวิตของเราก็จะหนีตาการเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าเราเข้าหาความสุขคือความสงบได้เราจะได้หยุดความอยากเราจะได้ความพอความอิ่มและเราก็จะได้ยุติการลื้นลนไปเกิดใหม่ได้ เราก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกลับมาแก่มาเจ็บมาตายมาวุ่นวายกับชีวิตอย่างที่เราเป็นอยู่กันทุกวันนี้นี่คือทางของพระพุทธเจ้าทางสู่ความสงบทางสู่ความสุข ท, ที่แท้จริงทางสู่ความสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดนอกจาจากการทําทานรักษาศีล การภาวนาแต่ขั้นสมาธิภาวนานี้ก็ยังไม่ได้เป็นการสิ้นสุดที่ถาวรไม่เป็นการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดของความทุกข์ที่ถาวรเพราะขณะที่อยู่ในสมาธินั้นจะอยู่ได้ไม่นานนั่นเองไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องออกจากสมาธิมาพาออกจากสมาธิมาก็จะต้อง มีความคิดปรุงแต่แล้วถ้าไม่มีสติปัญญาคอยควบคุมก็จะเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาได้เพราะสมาธินี้ไม่ได้ทำให้ความอยากหายไปสมาธิเพียงแต่กดความอยากไว้ชั่วคราวดุดความอยากไว้ชั่วคราวเหมือนหินทับหญ้ายญาเวลาที่ถูกหินทับอยู่ ยาก็จะแม่งอกงามขึ้นมาเวลาที่ยกหินออกจากญาไม่นานหาก็จะงอกงามขึ้นมาใหม่ฉันใดเวลาที่อยู่ในสมาธิความอยากความโลภความโกรธความหลงก็ทำงานไม่ได้แต่พอออกจากสมาธิมาไม่นานพอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือไปเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ความอยากความโลภที่เคยมีกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็จะ โผล่ขึ้นมาทันทีเช่นเห็น ต, ตู้ทีวีก็อยากจะเปิดทันทีเห็นตู้เย็นก็อยากจะเปิดทันทีเห็นเครื่องดื่มก็อยากจะดื่มทันทีความอยากไม่ได้ตายไปกับสมาธิถ้าอยากจะทาลายความอยากจะต้องใช้การภาวนาขั้นวิปัสนาภาวนาคือเวลาออกจากสมาธิมาแล้ว ก็ต้องใช้ปัญญาสติปัญญาคอยควบคุมความอยากเพราะเกิดความอยากก็ต้องสอนใจว่าอย่าทำตามความอยากเพราะทำแล้วแทนที่จะดับความอยากจะกลับทำให้มีความอยากเพิ่มมากขึ้นและขณะที่มีความอยากก็จะเป็นเวลาที่ใจจะทุกข์ทรมานใจจะตะวนกระวายกระสอกกระสายจะหงุดหงิดนาขานใจ เวลาอยากได้อะไรอยากทำอะไรจะหดหิดลำคาญใจถ้ายัางไม่ได้ทำแต่ถ้าได้ทำแล้วความหมดหิดลำคาญใจนั้นก็จะหายไปชั่วคราวไม่นานก็จะเกิดความอยากใหม่ขึ้นมาความหมดหิดลำคาญใจก็จะเกิดขึ้นมาใหม่อีกดังนั้นการทำควา ม, ามทาตามความอยากจึงไม่ได้เป็นวิธีที่จะดับความหมดหิดตตลำคาญใจ ดับความวกังวลกวายใจความทุกข์ใจต่างๆได้การที่จะดับความวกวลกวายความทุกข์ใจต่างๆได้นี้ต้องดับด้วยการไม่ทําตามความอยากด้วยการสอนใจว่าสิ่งที่อย่างนี้เป็นความสุขเดี๋ยวๆแล้วเดี๋ยวก็จะหายไปหมดไปแล้วก็ต้องเกิดความอยากใหม่ถ้าไม่อยากจะ ทุกข์กับการหาทุกข์กับการดูแลรักษาทุกข์กับการสูญเสียสิ่งที่ได้มาก็อย่าไปหามาอย่าไปเอามาสอนใจอย่างนี้แล้วใจก็จะหยุดอยา่างแล้วก็จะหยุดอย่างถาวรเพราะว่าสอนด้วยเหตุด้วยผลความหลงนี้เกิดจากอารมณ์เกิดจากความหลงเกิดจากการไม่เห็นเหตุหและผล ของความสุขและของความทุกข์ของใจว่าเกิดจากอะไรไม่เห็นว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากไม่เห็นว่าการดับทุกข์ใจหรือความสุขใจนี้เกิดจากการหยุดความอยากพอพิจารณาด้วยปัญญาอย่างนี้ความอยากนั่นก็จะหายไปและจะไม่กลับมาอีกเพราะกลับมาทีไรก็จะไม่สามารถโน้มน้าวใจให้ไปทําตามความอยากได้ เพราะใจมีสติปัญญาคอยรักษาไว้คอยเตือนใจอยู่ตลอดเวลานั้นเองอันนี้แหละเป็นการรักษาความสงบที่ได้จากการได้รับจากสมถะภาวนาให้อยู่ต่อไปอย่างถาวรพอเรากำจัดความอยากทุกชนิดที่โผล่ขึ้นมาด้วยสติด้วยปัญญาได้ต่อไปใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์ หลงเหลืออยู่ในใจเพราะเหตุที่ทำให้ใจทุกข์ทให้หงุดหงิตําคาญใจนั้นหายเป็นหมดแล้วนั่นเองก็คือความอยากหายด้วยอำนาจของสติปัญญาที่เห็นว่าทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์ทุกอย่างที่ใจอยากได้เป็นไตรลักษณ์คือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราใจไม่สามารถไปสั่งไปควบคุมบังคับ ให้เป็นไปตามความต้องการของใจได้เช่นลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจะไปสั่งให้เจริญอย่างเดียวไม่ได้เพราะของเหล่านี้เขามีธรรมชาติควบคุมเขาอยู่ก็คือมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมเป็นธรรมดานี่คือการรักษาใจสร้างความสุขทางใจดับความทุกข์ทางใจ ที่เป็นสิ่งที่ถาวรพอดับความทุกข์ได้แล้วก็จะไม่มีความทุกข์หวนกลับคืนมาอีกไม่เหมือนกับการดับความทุกข์ทางตาหูจมูกลิ้นกายดับได้เดียเด๋ยววแล้วเดี๋ยวก็กลับคืนมาใหม่เวลาอยากจะดื่มยาจะรับประทานอะไรก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาพอได้ดื่มได้รับประทานความทุกข์นั้นก็หายไปแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยาก ใ ห, ใ, ห ใ, หใหม่ขึ้นมาอยากดื่มใหม่อยากรับประทานใหม่ก็เกิดความทุกข์ใหม่ขึ้นมาอีกนะไม่ว่าเราจะทำอย่างไรเราก็จะไม่มีวันที่จะดับความทุกข์ทางความอยากได้นอกจากไม่ทำตามความอยากเท่านั้นถ้าเราจะดื่มเราจะรับประทานก็ต้องดื่มและรับประทานด้วยเหตุด้วยผลด้วยความจนเป็นเช่นถึงเวลาต้องรับประทานต้องเติมอาหารให้กับร่างกาย ก็รับประทานไปตามความต้องการของร่างกายแต่ไม่รับประทานตามความอยากเช่นเดียวกับการดื่มน้ำถ้าจำเป็นจะต้องดื่มน้ำก็ดื่มตามความต้องการของร่างกายถ้าต้องการดื่มให้กับร่างกายก็ดื่มน้ำเปล่าก็พอถ้าดื่มน้ำที่มีรสชาติมีสีมีกลิ่นนี้เราไม่ได้ดื่มเพื่อร่างกายแต่เราดื่มเพราะความอยาก le, อยากลิ้มรสอยากดมกลิ่น อยากจะเห็นสีของเครื่องดื่มที่เราดื่มถ้าดื่มแบบความอยากก็จะไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอแ้าดื่มตามความเหตุผลตามความต้องการของร่างกายก็จะมีความอิ่มความพอพอร่างกายอิ่มก็จะหยุดรับประทานจะรับประทานอีกครัง้งก็ต่อเมื่อร่างกายหิวจะดื่มอีกครัง้งก็ต่อเมื่อร่างกายหิวน้ำ ถ้าทำอย่างนี้แล้วจะไม่เป็นความทุกข์ใจนี่คือเรื่องของการหาความสุขที่แท้จริงที่มีพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะสอนให้เราได้เข้าถึงได้ไม่มีใครในโลกนี้ที่รู้จักวิธีหาความสุขที่ถาวรที่แท้จริงมีเพียงพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเป็นพระพุทธองค์แรกในโลกนี้ พอรู้แล้วพระองค์ก็ส่งนําเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ไม่รู้พอผู้ที่ไม่รู้นำเอาไปปฏิบัติก็จะได้รับผลเช่นเดียวกับที่พระพุทธเจ้าได้ส่งรับผลก็จะมีผู้รู้มากขึ้นผู้รู้เหล่านี้เราเรียกว่าพระอารหันตสาวกนั่นเองท่านเหล่านี้ก็จะทําหน้าที่เผยแผ่ความรู้อันนี้แทนพระพุทธเจ้าต่อไปหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จ จากโลกนี้ไปแล้วก็เป็นหน้าที่ของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายที่จะเผยแผ่สร้างพระอาหารหันตองใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆอย่างที่ได้ทํากันในศาสนานี้มาจนถึง 2,500 กว่าปีแล้วก็ยังมีผู้ที่รู้ความจริงอันนี้แล้วได้นําเอาความจริงอันนี้มาเผยแผ่ให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ผู้ที่ไม่รู้ถ้ามีศรัทธาและมีความสามารถที่จะ ปฏิบัติตามความรู้นี้ได้ก็จะกลายเป็นผู้รู้ต่อไปกลายเป็นผู้ที่จะเผยแพผ่ความรู้ให้แก่ผู้อื่นต่อไปศาสนาพุทธของเราจะอยู่ได้นานหรือไม่ดานก็อยู่ที่การสร้างผู้รู้ใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนี้เองถ้าไม่มีผู้รู้ใหม่ก็จะไม่มีผู้รู้ที่จะมาเอาความรู้ที่ถูกต้องนี้มาสอนให้แก่ผู้อื่นได้ความรู้ที่ถูกจจและ ไว้ในหนังสือนั้นเป็นความรู้ที่ไม่มีกำลังพอที่จะทำให้ผู้ไม่รู้นั้นสามารถเป็นกายเป็นผู้รู้ได้นอกจากผู้ที่ศึกษานั้นเป็นผู้ที่มีปัญญาบารมีที่แ ก, ะกะ่กล้าถ้าเป็นผู้ที่มีไ ม, มไม่มีปัญญาบารมีที่แ ก, ะกะ่กล้าจะไม่สามารถเข้าถึงความจริงของ ความรู้ที่อยู่ในหนังสือนั้นได้ไม่เหมือนกับได้รับการถ่ายทอดจากผู้ที่รู้ด้วยตนเองเพราะผู้ที่รู้ด้วยตนเองนี้สามารถตอบคำถามตอบข้อสงสัยต่างๆให้กกบผู้ที่กำลังศึกษาได้ถ้าอ่านในหนังสือถ้าไม่เข้าใจก็ไม่รู้ว่าจะไปถามใครเพราะหนังสือไม่สามารถจะตอบคำถามของเราได้นั่นเอง ดังนั้นถ้าพวกเราอยากจะได้รับประโยชน์ทั้งสําหรับตัวเราเองและรักษาพระพุทธศาสนาให้มีประโยชน์แก่ผู้อื่นต่อไปก็เป็นหน้าที่ของพวกเราที่จะต้องเข้าหาพระพุทธศาสนาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เข้าหาก็คือให้ศึกษาแล้วก็ให้นําเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟั ง, ไ ด, ฟงได้ศึกษานี้ไปปฏิบัติเช่นวันนี้นเราก็ได้ยินแล้วว่าการที่เราจะ ได้เข้าสู่ความสุขที่แท้จริงที่ถาวรการที่เราจะได้เป็นพระอาหารหันตสาวกก็คือการทำทานการรักษาศีลการภาวนาถ้าเราปฏิบัติตามไปเรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งภายในชาตินี้แหละที่เราก็เราก็จะได้รับความสุขที่แท้จริงที่ยิ่งใหญ่และเราจะได้กลายเป็นผู้รู้ ที่จะช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาให้แก่ผู้อื่นได้อีกอีกขั้นหนึ่งอีกต่อหนึ่งอย่างนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความแน่วแน่มีความศรัทธาที่แน่วแน่ต่อพระพุทธศาสนามีความภาคเพียรที่แก่กล้ามีความเสียสละที่กล้าจะเสียสละความสุขเล็กๆน้อยๆของราบยศสารเสริญของรูปเสียงกลิ่นรส มาเข้าหาความสุขที่ยิ่งใหญ่ด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลและด้วยการภาวนาการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ข้างล่างได้ยินหรือปล่ได้ยินชัดดีนะอะดี สมัยก่อนไม่ทราบว่าเขาใช้อะไรเวลาพระเจ้าแสดงทําให้คนเป็นพันนี่ไม่รู้เขาได้ยินกันยังไงมาแล้วเสียงพระเจ้าดังแล้วคนตั้งใจฟังแล้วที่สงบ ก, การฟังธรรมจึงต้องมีสถานที่ที่สงบผู้ฟังก็ต้องนิ่งสงบ ไม่พูดกันไม่คุยกันไม่ทำอะไรกันใจตั้งใจฟังเพลงอย่างเดียวถ้าฟังด้วยกายวาจาใจที่ไม่สงบ mm. ก็จะไม่รู้เรื่องจะไม่เข้าใจจะได้ยินแต่เสียงแต่จะไม่เข้าใจความหมายเพราะใจไม่ได้จดจอ่อฟังพิจารณาตามเสียงที่ได้ยินมัวแต่ไปคิดกับเรื่องที่กำลังทำอยู่หรือเรื่องที่กำลังคุยกันอยู่ ถ้าฟังธรรมแบบนั้นก็ฟังไปก็เสียเวลาเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเวลาฟังธรรมจะให้เกิดประโยชน์กายวาจาใจต้องนิ่งกายต้องนั่งเฉยๆไม่ทําอะไรวาจาก็ไม่พูดคุยกันใจก็ไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ใจจดจอ่อเฝ้ออยู่กับเสียงที่เข้ามาสัมผัสแล้วถ้ามีความสามารถพิจารณาตามเหตุตามผลได้ ก็จะเกิดปัญญาเกิดสัมมาทิฏฐิเกิดการบรรลุธรรมขึ้นมาได้ถ้าฟังแล้วไม่สามารถพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลได้ก็ไม่เกิดปัญญาแต่จะได้สมาธิก็คือได้ความสงบเพราะใจไม่ได้ไปคิดเรื่องต่างๆใจคิดอยู่กับเรื่องธรรมที่แสดงอยู่นั้นถ้าเราฟังธรรมด้วยกายวาจาใจที่สงบนี่เราจะได้อานิสงส์ต่างกัน ถ้าเรามีปัญญาพิจารณาตามได้เราก็จะได้ปัญญาได้ความเข้า อ, อกเข้าใจกระจัดความนังเลสงสัยไปได้มีความเห็นที่ถูกต้องถ้าเราไม่มีปัญญาที่สามารถจะพิจารณาตามได้เราก็จะได้ความสงบความผ่องใสของใจนี่คืออา น, นิสงส์ของการฝั่งเทศกตร้ทำที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นมงคลอย่างยิ่ง การฟังธรรมจะให้เป็นมงคลก็ต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบผู้ที่ฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบงบนี้แสดงว่าเป็นผู้ที่มีความเคารพในธรรมผู้ที่ไม่อยู่ในกายวาจาใจที่สงบนี้ถึงแม้จะยกมือไหว้ก็ไม่ถือว่ามีความเคารพในธรรมเพราะนอกจากไม่ได้รับประโยชน์กับของตนแล้วยังไปทาไปทำลายประโยชน์ของผู้อื่น ผู้ที่นั่งอยู่ข้างๆเขาก็จะไม่สามารถรับฟังธรรมะได้อย่างสะดวกเพราะจะมีเสียงหรือมีการกระทาต่างๆมาลบกวนสมาธิของผู้ฟังนั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะเคารพในธรรมอยากจะได้มงคลที่เกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรมเวลามีการแสดงธรรมที่ไหนขอให้เราตั้งอยู่ในความสงบ สงบกายสงบวาจาและสงบใจเดี๋ยววันนี้จะตอบคำถามทาง Facebook น ะ, ะ, ะมีคนเข้าเดี๋ยวนี้เข้าไปทางอินเทอร์เน็ตแล้วเขาไม่สามารถมาหาได้ด้วยตนเองเขาก็ฝากคำถามไว้แล้วก็ท่านที่ดูแลเว็บไซต์ท่านก็จะเอาคำถามนี้มาถามและอาจบันทึกภาพและเสียงใส่กลับคืนไปใน ในเน็ตคนที่เขาจะรอคำตอบเขาก็จะได้รับคำตอบแต่ก็ยังไม่ดีเท่ากับมาหาด้วยตัวเองเพราะตอไปแล้วก็อาจจะยังไม่เข้าใจและยังติดขัดอยู่บางส่วนก็ยังไม่สามารถถามได้ทันทีก็ต้องรออีกระยะหนึ่งแต่ถ้ามาได้ก็จะสามารถถามตอบกันได้อย่างรวดเร็วเชิญ มีบินธบัตครับมีมีตอนเช้าจะไปบินธบาต ท, ที่บ้านอำเภอตอนจะต้องลงไปพระที่อยู่บนเขานี่ต้องเดินลงไปที่วัดยานแล้วก็จะไปรวมกันที่หน้าศาลาจะมีรถมารับไปบินธบาตตามหมู่บ้านต่างๆระยะนี้ก็จะออกจากวัดประมาณ ต, ตีห้าตีห้าครึ่งหรือตีห้าสี่สิบแล้วไปถึงที่บินฑบาต อย่างที่เราไปเราไปสายบ้านอำเภอก็ไปถึงบ้านอำเภอรประมาณตีห้าสี่สิบห้าหรือห้าสิบก็ใช้เวลาบินตะ巴ประมาณสักสี่สิบนาทีเสร็จแล้วก็กลับมาที่ศาลาวัดยานเอาอาหารที่ได้กลับมาจากบิณฑบาตมาแบ่งกันแล้วก็ฉันที่ศาลามีญาติโยมจะมาถวายอาหารเพิ่มที่ศาลาก็มากันแล้วถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระก่อนจะฉันก็จะมีการสแสดงธรรมเทศนาประมาณสามสิบนาที ระยะนี้ก็ช่วงเวลาประมาณแปดโมงเช้ากลับมาจากบินตบาตก็ประมาณสิบนาทีก่อนเจ็ดโมงญาติโยมก็มาถวายข้าวของกันถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์วันพระญาติโยมจะมีมากกว่าจะเสร็จเรียบร้อยกว่าจ ะ, สะแสดงธรรมได้ก็ประมาณแปดโมงแปดนาฬิก า, าจรับภาทั้งหมดมีกี่รูปครับาในวัา น, นี้ตอนนี้มีประมาณห้าสิบกว่ารูปในช่วงออกพรรษา แต่ในช่วงเข้าพรรษาก็จะมีประมาณเจ็ดสิบกว่ารูปแต่ภาพที่อยู่บนเขานี้มีอยู่ประมาณสิบสิบสองรูปเพราะบนเขานี้มีจำนวนจำกัดมีที่อยู่จำนวนจำกัดและก็เป็นที่อยู่ที่สำหรับผู้ที่ชอบความสงบเพราะบนเขานี้เราไม่มีไฟฟ้าไม่มีน้ำประปาไม่เหมือนกับที่อยู่ข้างล่าง ข้างล่างจะมีน้ํำไฟพร้อมและก็จะอยู่ใกล้สลาราไม่ต้องเดินไกลที่นี่ต้องเดินไกลต้องลงแต่เช้ามืดตีสีนี่ก็ต้องเตรียมตัวลงเดินไปเพื่อจะให้ไปทันกับการบินทบาทแต่ผู้ที่ขึ้นมาบนเขาี้เขาไม่กลัวกับความลําบากสิ่งที่เขาต้องการก็คือความสงบวิเวชของสถานที่เพื่อที่จะได้เอื้อต่อการจเจริญสมถะและวิปัสสนาภาวนา จะทาเขาไปถึงวัดสะกิโลประมาณสามกิโลครึ่งใช้เวลาประมาณรักสี่สิบห้านาทีได้กันถ้าเดินแบบสบายสบายแต่ขากลับนี่จะมีรถกลับขึ้นมาสง่งอนเพราะว่าตอนตอนสายสารที่วัดมีรถแล้วมีคนขับรถก็จะบริกา ร, รแต่ตอนเช้ามือ น, นี่คนขับรถก็ยังไม่ตื่น พระก็เลยต้องเดินกันก็ถือว่าเป็นโอกาสใช้ในการปฏิบัติไปเป็นการทดสอบจิตใจไปที่จะต้องเดินไปในที่มืดว่าบางทีก็จะต้องเจอเสียงสารสัตว์สัตว์เล็กสัตว์น้อยส่วนใหญ่ก็จะเจอพวกงูอะไรอย่างนี้ก็จะสอนให้มีสติให้มีความระมัดระวังสอนให้ปรงว่าเกิดมาแล้วมันต้องตายก็จะได้ทั้งสติได้ทั้งปัญญา ถ้าไม่มีอะไรก็จะให้พรนะเผ่ท่านที่อยากจะกลับกันจะได้ไปได้ <c oughs> ยะทาวาฤวาฮาตุราปริกตุเนติสักลังเอวะเนวะอิโตทินางเปตานางอุปกะปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิเ ป, ป้าเมวะสมิจโต สัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะรโสยัถามณิโชติระโสยัถาสพิติโยวิวัชานตุสัพพารโขวินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวาอภิวาตนาสีลิตสนิจังวุฒาปจายโน จตารุธรรมวาทาติอายุวโนสุขังภาลากาอยากจงเทียนอาจาย์เกียวะ